พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ย0สุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายติกานิบาตตัติยปัร น, นาตหมวดห้าสบที่สามในหมวดห0สบที่สามนี้คงแบ่งออกเป็นห้าวร์วรกละประมาณสิบสูตรเช่นเดียวกับหมวดห้าสิบที่เลาแล้วมาวร์ที่หนึ่งชื่อสัมโคทิวร์วาด้วยการตรัสรู้วรคที่สองชื่ออปาญิกวร์ ว่าด้วยผู้ที่เกิดในอบายวรที่สามชื่อกุศินาราวัตว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงกุศินาราวรที่สี่ชื่อโยธาชีววัตว่าด้วยทหารหรือนักรบวรที่ห้าชื่อมังคละวัคว่าด้วยมงคลวรที่หนึ่งสำโธทิวัคว่าด้วยการตรัสรู้ ตรัสว่าเมื่อก่อนตรัสรู้ขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ทรงคิดว่าอะไรหนอเป็นความพอใจเป็นโทษเป็นความพ้นไปในโลกแล้วทรงคิดว่าความสุขกายสุขใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโลกชื่อว่าความพอใจในโลกข้อที่โลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาชื่อว่าโทษในโลก การนำออกการละความกำหนัดเพราะความพอใจในโลกเสียได้ชื่อว่าความพ้นไปในโลกแล้วตรัสว่าตราบใดที่ยังไม่ทรงรู้เรื่องทั้งสามนี้ตามเป็นจริงก็จะไม่ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าได้ตรัสสรุอนุตระสัมมาสัมโพธิยานตรัสแสดงยักย้ายในเรื่องอัศทะคือความพอใจ อธินวะคือโทษและนิสรณะความพ้นไปในโลกและของโลกอีกสองในทรงแสดงว่าการร้องเพลงเปรียบเป็นร้องไห้ในอริยวินัยการป้อนรำเป็นการกระทาของคนบ้าในอริยวินัยการโหเราะจนเห็นไรฟันเกินขอบเขตเป็นการกระทาของเด็ก ในอริยะวินัยในที่นี้มุ่งถึงการที่ภิกษุทำการเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อชาวโลกหรือข้ารือหัดทั่วทั่วไปผู้จะหหวเราะร้องเพลงหรือฟ้อนรำครั้นแล้วตรัสสอนให้ชักสะพานคือเลิกเด็ดขาดในการร้องเพลงและฟ้อนรำเมื่อมีความบันเทิงในธรรมก็ควรทาแต่เพียงยิ้มแย้ม ตรัสแสดงว่าไม่มีความอิ่มในการเสพของสามอย่างคือในการเสพความหลับในการเสพสุราเมรยัยและในการเสพเมถุนตรัสแสดงธรรมแกอนาถบิณฑิกะเครือหบดีว่าเมื่อไม่ได้รักษาจิตแล้วแม้การกระทำทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นอันไม่ได้รักษาเมื่อไม่เป็นอันรักษา จึงเหมือนถูกฝนตกรถเป็นของเน่าและมีการตายอันไม่เจริญคือไม่ดีงามเปรียบเหมือนเรือนยอดที่มุงไม่ดียอดเรือนกลอนเรือนคือไม้ที่รับสิ่งมุงข้างฝาจึงชื่อว่าไม่เป็นอันรักษาถูกฝนร่วร ớ เป็นของผุเมื่อรักษาจิตแล้วพึงทราบโดยในตรงกันข้ามพร้อมทั้งข้ออุปมา ตรัสแสดงธรรมแกอนาถาบินทิกะเครือหบดีว่าเมื่อจิตผิดปกติแม้กระทําทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นอันผิดปกติได้ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะมีการตายที่ไม่เจริญแล้วส่งอุปมาด้วยเรือนยอดที่มุงไม่ได้ดังข้อแรกพร้อมทั้งแสดงในทางตรงกันข้ามทรงแสดงต้นเหตุ ที่ให้เกิดการกระทำคือกรรมนิทานสามประการฝ่ายชั่วคือความโลภความคิดประทุษร้ายความหลงและทรงแสดงต้นเหตุที่ให้เกิดการกระทำฝ่ายดีอีกสามประการคือความไม่โลภความไม่คิดประทุษร้ายความไม่หลงท่งแสดงต้นเหตุที่ให้เกิดการกระทำในอื่นอีกสามประการฝ่ายชั่ว คือชันทะความพอใจอันเกิดเพราะปรารถนาธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโดยอำนาจแห่งความพอใจที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันพร้อมทั้งทรงแสดงฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามวักที่สองชื่ออาปายิกวักว่าโดยผู้ที่เกิดในอบาย ทรงแสดงบุคคลสามประเภทที่ท้าไม่ละการกระทาดังจะกล่าวต่อไปว่าจะไปเกิดในอบายในนรกคือหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิ ญ, ญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ 2. อจดฟ้องผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ด้วยข้อกล่าวหาว่าไม่ประพฤติพรหมจรรย์คือเศษกามอันไม่มีมูลส มีวาทะมีทิฏฐิว่ากามไม่มีโทษจึงเสพกามทรงแสดงว่าความปรากฏแห่งบุคคลสามประเภทหาได้ยากในโลกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วและบุคคลที่กตัญญูกะตะเวที ทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือผู้ประมาณได้ง่ายได้แก่ผู้ฟุ้งร้านเป็นต้นผู้ประมาณยากได้แก่ผู้ไม่ปุงสร้านเป็นต้นผู้ประมาณไม่ได้ได้แก่พระอรหันต์ขีณาศพคือผู้หมดกิเลสทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือผู้เกิดในเทพชั้นอากาศสานัญจายตนะมีอายุสองหมืกับ ผู้เกิดในเทพชั้นวิญญาณัญจายตนะมีอายุสี่หมืนกัปผู้เกิดในเทพชั้นอากินจัญญายตนะมีอายุหก0มืนกัปปูตูชนเกิดในเทพเหล่านั้นตั้งอยู่ตลอดอายุนั้นนั้นแล้วก็ไปสู่นรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคตั้งอยู่ตลอดอายุนั้นแล้ว ก็นิพพานในภพนั้นนี้คือความต่างกันระหว่างอริยส า, าวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับทรงแสดงวิบัติสคือความวิบัติแห่งศีลความวิบัติแห่งจิตความวิบัติแห่งทิฏฐิหรือความเห็นความวิบัติแห่งศีลได้แก่การประพฤติกายทุจริตสาม วจีพุจริตสีความวิบัติแห่งจิตได้แก่การมีความโลภ ก, กับการคิดปองร้ายส่วนความวิบัติแห่งทิฏฐิได้แก่การเห็นผิดจากคลองธรรมเช่นเห็นว่าทานที่ให้ไม่มีผลบุญบาปไม่มีเป็นต้นแล้วทรงแสดงสัมปทาคือสมบัติตรงกันข้ามกับวิบัติ อีกสามอย่างคือศีลสัมปทาจิตตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาทรงแสดงวิบัติสและสัมปทาสตามชื่อเดิมตามคาอธิบายเดิมแต่เพิ่มว่าวิบัติเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนารกสัมปทาเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ ทรงแสดงวิบัติสอีกในหนึ่งคือหนึ่งกรรมันตะวิบัติความวิบัติแห่งการงานได้แก่กายทุจริตวาจีทุจริต2อาชีววิบัติความวิบัติแห่งอาชีพได้แก่เลี้ยงชีพในทางที่ผิด 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งความเห็นได้แก่เห็นผิด จะคลองทำดังกล่าวแล้วแล้วส่งแสดงสัมปทาหรือสมบัติสในทางตรงกันข้ามส่งแสดงความสะอาดหรือโสเจยยะสามประการคือความสะอาดกายได้แก่กายสุจริตสะอาดวาจาได้แก่วจีสุจริตสะอาดใจได้แก่มโนสุจริต แล้วส่งแสดงความสะอาดสามตามชื่อเดิมแต่อธิบายในทางที่สูงกว่าเดิมคือสะอาดกายที่ได้แก่กายสุจริตนั้นแต่เฉพาะข้อสามของกายสุจริตเป็นการเว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์คือเสพเมทุนส่วนสะอาดใจได้แก่รู้ว่านิวรห้าหรือกิเลสอันกั้นจิตไม่ได้บรรลุความดี มีกามาชันทะเป็นต้นรู้ว่านิวรห้ามีอยู่ในภายในหรือไม่มีรู้ว่าละนิวรห้าที่เกิดขึ้นแล้วและจะไม่เกิดอีกต่อไปทรงสแสดงความเป็นมุนีสามอย่างข้อนี้อัตถกถาแก้ว่าความเป็นมุนีคือความเป็นคนดีหรือเป็นบัณฑิตความเป็นมุนีมีสามอย่าง คือความเป็นมุนีทางกายได้แก่เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดปรมมจันทร์ความเป็นมุนีทางวาจาได้แก่เว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อความเป็นมุนีทางใจคือทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ วัดที่สาชื่อกุสิณารวักว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงกุสิณาราทรงแสดงถึงภิกษุผู้ติดในบิณฑบาตปรารถนาจะได้อย่างนั้นอย่างนี้เกิดอากุศลวิตก3ามทานที่ให้แก่ภิกษุเช่นนี้ไม่มีผลมากเพราะเป็นผู้อยู่อย่างประมาทสำหรับอากุศลวิตก3าม คือตรึกในกามตรึกในการปองร้ายตรึกในการเบียดเบียนส่วนภิกษุผู้ไม่ติดในบินทบาทไม่ปรารถนาจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มีกุศลวิโตกสามคือตรึกในการออกจากกามตรึกในการไม่ปองร้ายตรึกในการไม่เบียดเบียนฐานที่ให้แก่ภิกษุเช่นนี้มีผลมากเพราะเป็นผู้อยู่อย่างไม่ประมาท ทรงแสดงว่าเพียงแต่คิดไปในทิศที่มีภิกษุทะเลาะวิวาทกันก็ไม่ผาสุกเสียแล้วจะกล่าวยายถึงการไปในทิศนั้นและทำให้ปลงใจว่าภิกษุเหล่านั้นละกุศลวิตกทำให้มากซึ่งอกุศลวิตกส่วนภิกษุผู้สามัคคีกันพึงทราบโดยนายตรงกันข้าม ทรงแสดงว่าพระองค์แสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมีเหตุหรือสนิททานมีปาฏิหารตรัสแก่มหานามสักยะว่ามีศาสดาสามประเภทคือหนึ่งบัญญัติให้กําหนดรู้กามแต่ไม่บัญญัติให้กําหนดรู้รูปละเวทนาสบัญญัติให้กําหนดรู้กามและรูป แต่ไม่บัญญัติให้กําหนดรู้เวทนา 3. บัญญัติให้กําหนดรู้ทั้งสามอย่างแล้วตรัสถามว่าคติของศัสดาทั้งสามประเภทนี้เหมือนกันหรือต่างกันพระรันทุกาลามโคดพูดแนะหานามสัสสกยะให้ตอบว่ามีคติอย่างเดียวพระกุมีพระภาคตรัสแนะให้ตอบว่า มีคติต่างกันต่างฝ่ายต่างแนะนำอย่างนั้นถึงสามครั้งพระรันทุ ก, กาละมโครจึงหลีกไปไม่กลับมาสู่กรุงกระบิลพัสอีกหัตถะเทพบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าตนไม่อิ่มด้วยธรรมะสามประการจนถึงแก่กรรมซึ่งเป็นคุณธรรมที่สืบเนื่องมาแต่อดีตชาติ และทำอยู่แม้ในปัจจุบันคือไม่อิ่มด้วยการเฝ้าพระผู้มีพระภาคไม่อิ่มด้วยการฟังพระสัตรุธรรมไม่อิ่มด้วยการอุปัากพระสงฆ์ตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งไม่ให้ทำตนเป็นเดนเหมือนอาหารที่เขาทิ้งส่งกลิ่นคาวมีมแมลงวันตอมโดยตรัสอธิบายแก่ที่ประชุมภิกษุทั้งหลายว่า ความโลภเปรียบเหมือนเดนเหมือนอาหารที่เขาทิ้งความคิดปองร้ายเปรียบเหมือนกลิ่นคาววิตกหรือความตรึกที่บาปอากุศลเปรียบด้วยมแมลงวันตรัสตอบคำถามของพระอนุรุธทธะเทระว่ามาตุคามหรือผู้หญิงประกอบด้วยธรรมะสามอย่างเมื่อตายไปจะสู่คติที่ชั่ว คือเวลาเช้ามีจิตถูกรึงรัดด้วยมนลถินคือความตรนีเวลากลางวันมีจิตถูกรึงรัดด้วยความริษยาเวลาเย็นมีจิตถูกรึงรัดด้วยกามราคะพระสารีบุตรให้คําแนะนำแก่พระอนุรุทธะเทระผู้กล่าวว่าข้าพเจ้ามองดูโลกตั้งพันด้วยทิพยจักษุปรารถนาความเพียรไม่ย่อหย่อน มีสติมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งแต่จิตของข้าพระเจ้าไม่ได้หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นพระสารีบุตรชี้แจงว่าการที่ท่านคิดว่าเรามองดูโลกตั้งพันด้วยทิพยจักษสูนี้จัดเข้าในความถือตัวของท่าน การที่ท่านคิดว่าเราปรารกความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติมั่นไม่หลงลืมมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นหนึ่งนี้จัดเข้าในความฟุ้งซ่านของท่านการที่ท่านคิดว่าแต่จิตของเราไม่ได้หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นนี้จัดเข้าในความรำคาญใจของท่าน ท่านจงละธรรมสามประการนี้ซะอย่าใส่ใจจงน้อมจิตไปในอมตะธาตุเถิดพระอนุรุท ธ, ธะเทระทาตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันสำหรับข้อความตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าตราสใดที่ยังลกทิ้งคำว่าเราเขานเป็นความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็ยากที่จะตรัสรู้ ตรัสแสดงสิ่งสามประการที่คนนำไปอย่างปกปิดไม่เปิดเผยคือหนึ่งมาตุคาม 2. มน์ของพรามสาความเห็นผิดแล้วตรัสแสดงสิ่งที่เปิดเผยแล้วรุ่งโรดคือมณทนแห่งดวงจันทร์มณนทนแห่งดวงอาทิตย์และพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือหนึ่งผู้เหมือนรอยขีดบนหินได้แก่คนมักโกรธและมีความโกรธตั้งอยู่นาน2ผู้เหมือนรอยขีดบนดินได้แก่คนมักโกรธแต่มีความโกรธไม่ตั้งอยู่นานสผู้เหมือนรอยขีดบนน้ำได้แก่คนที่ถูกว่ากล่าวด้วยคำหยาบช้าไม่น่าพอใจก็ยังเป็นไปได้ คือทนได้แช่มชื่นอยู่ได้วัคที่สชื่อโยธาชีววัคว่าด้วยทหารหรือนักรบทรงแสดงนักรบที่ประกอบด้วยองค์สามว่าควรแก่พระราชาคือหนึ่งยิงไกลเทียบด้วยภิกษุผู้พิจารณาเห็นขันห้าตามเป็นจริง แล้วไม่ยึดถือ 2. ยิงไวเทียบด้วยภิกษุผู้รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริง 3. าทำลายกายใหญ่ได้เทียบด้วยภิกษุผู้ทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้ทรงแสดงบริษัทสคือที่แนะนำยากแนะนำง่ายที่ต้องรู้อัธยาศัยแล้วแนะนำ ทรงแสดงถึงมิตรที่ประกอบด้วยองค์สามว่ากวนครบคือหนึ่งให้สิ่งที่ให้ได้ยาก 2. ทำสิ่งที่ทำได้ยาก 3. อดทนสิ่งที่ทนได้ยากทรงแสดงว่าพระตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามทำนองคลองธรรมก็คงมีอยู่แล้วคือข้อที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุก์ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่พระตาคตเป็นผู้ตรัสรู้บอกเล่าแสดงเปิดเผยจำแนกทำให้เข้าใจง่ายทรงแสดงว่าบรรดาวาทะของสมณะเป็นอันมากวาทะของมักคคลิเลวที่สุด คือมีวาทะและความเห็นว่ากรรมคือการกระทำไม่มีกิริยาอาการที่ทำไม่มีวิริยะคือความเพียรไม่มีเป็นการคัดค้านพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันผู้กล่าวว่ากรรมกิริยาความเพียรมี ทรงแสดงสัมปทาคือความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์สามอย่างและวุทธิคือความเจริญสามอย่างคือความถึงพร้อมและความเจริญด้วยศรัทธาศีลและปัญญาทรงแสดงบุคคลประเภทด้อยกับประเภทดีเทียบด้วยม้าด้อยกับม้าดีอย่างละสามประเภท คือประเภทด้อย 1. สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสีกายไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความสมส่วนได้แก่ภิกษุที่รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงแต่เมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยก็พูดตะกุกตะกักตอบไม่ได้และเป็นผู้ไม่มีลาบปัจจัยสี่2 สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าสมบูรณ์ด้วยสีกายแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความสมส่วนเปรียบได้แก่ภิกษุที่รู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงเมื่อถูกถามปัญหาดังกล่าวก็ตอบได้ไม่พูดตะกุกตะกักแต่ไม่มีลาปัจใจสี่สเปรียบดังม้าสมบูรณ์ทั้งสามอย่างเปรียบได้กับภิกษุ ผู้รู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงตอบปัญหาได้มีลาปัจจัยสีส่วนม้าประเภทดีหนึ่งสมบูรณ์ด้วยฝีเท้าแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสีกายไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความสมส่วนเปรียบได้แก่ภิกษุผู้เป็นอนาคามีแต่ตอบปัญหาไม่ได้ทั้งไม่มีลาปัจจัยสี สเปรียบม้าป่ายดีสมบูรณ์ด้วยฝีเท้าด้วยสีกายแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความสมส่วนเปรียบได้แก่ภิกษุผู้เป็นพระอนาคามีตอบปัญหาได้แต่ไม่มีลาบปัจจัยสีส่สมบูรณ์ทั้งสามอย่างได้แก่ภิกษุผู้เป็นพระอนาคามีตอบปัญหาได้และมีลาบปัจจัยสี หมายเหตุในที่นี้แสดงคนเทียบด้วยมา้าทั้งประเภทด้อยประเภทดีม้าประเภทด้อยใช้คําว่าอัสังขะดุงโกซึ่งเมืองไทยเราแปลกันว่าม้ากระจอกส่วนม้าประเภทดีใช้คําว่าสัทโธเวลากล่าวถึงคุณสมบัติของมา้ากลับแสดงคุณสมบัติแบบเดียวกันทั้งสามประเภทพึงเห็นว่าม้าประเภทด้อยนั้น แม้จะมีคุณสมบัติดีก็อย่างม้าดอยหรือม้ากระจกแต่เวลาแสดงถึงคุณสมบัติของคนประเภทดอยกับประเภทดีแม้จะกล่าวถึงคุณสมบัติเทียบด้วยมา้าที่สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าเป็นต้นอย่างเดียวกันแต่ก็แบ่งประเภทดอยว่ารู้อริยสัจ ส, สี่ส่วนประเภทดีเป็นพระอนาคามี ทรงแสดงบุคคลประเภทดีเลิศหรือบุรุษอาชาในเทียบด้วยหมาอาชาในโดยแสดงคุณสมบัติของหมาอาชาในที่สมบูรณ์ทั้งสามประการแต่แสดงคุณสมบัติของบุคคลต่างออกไปในข้อสมบูรณ์ด้วยฝีเท้าคือเป็นพระอรหันต์หมายถึงผู้ซึ่งทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะส่วนที่สามารถตอบปัญหากับมีลาบ คงเหมือนกันทรงแสดงถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างคือกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอเศขะหมายถึงศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันต์ว่าเป็นผู้สำเร็จล่วงส่วนอยู่จบพรหมจารย์ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วทรงแสดงถึงภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างอีกสองประเภทคืออิทธิปาติหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจ ร, รอาเทศนาปาติหารถ่ายใจได้เป็นอัศจรัอนุสาสนีปาติหารสั่งสอนได้เป็นอัศจรักับอีกประเภทหนึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาญาณนะความรู้ชอบสัมมาวิมุต ความหลุดพ้นชอบว่าเป็นผู้สำเร็จล่วงส่วนอยู่จบพรหมจรรย์ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสำหรับข้อนี้พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายสัมมาทิฏฐิได้แก่วิปัสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาญาณนะได้แก่ภละยานสัมมาวิมุตติได้แก่ธรรมะคือภละสมาบัติที่เหลือ อันเป็นเรื่องของคุณธรรมภายในวัดที่ห้าชื่อมังคละวัดว่าด้วยมงคลทรงแสดงว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมะสามอย่างในทางชั่วทางดีจะเป็นเหมือนถูกนำไปตั้งไว้ในนรกหรือในสวรรค์ในฝ่ายชั่ว คือประกอบด้วยการกระทำทางกายวาจาใจอันเป็นอกุศลมีโทษไม่สม่ำเสมอไม่สะอาดในฝ่ายดีพึงทราบโดยในตรงกันข้ามทรงแสดงถึงคนผานผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างแยกตามการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลมีโทษไม่สม่ำเสมอ ไม่สะอาดดังกล่าวข้างต้นทรงแสดงคนพานดังกล่าวว่าเป็นผู้บริหารตนอย่างถูกขุดมีโทษถูกตีเตียนประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากส่วนบัณฑิตตรงกันข้ามทรงแสดงการไหว้สามอย่างคือทางกายวาจาใจและสุจริตสามอย่างคือทางกายวาจา พระสูตรที่ไม่นับเข้าในหมวดห้าสิบหมายความว่าเป็นพระสูตรที่เป็นเศษจากหนึ่งห้าสบสูตรที่กล่าวมาแล้วพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปฏิปทาสามอย่างคือหนึ่งหยาบช้าสองเผาตนสาม สายกลางโดยทรงอธิบายว่าปฏิปทาอย่างหยาบช้าได้แก่ที่เห็นว่ากามไม่มีโทษจึงบริโภคกรรมอย่างเผาตนได้แก่การทรมานตนมีเปลือยกายเป็นต้นอย่างสายกลางได้แก่การเจริญสติปฐานสี่คือการตั้งสติสี่อย่าง ทรงแสดงปฏิปทาสามอย่างตามชื่อเดิมอีกเป็นแต่อธิบายต่างออกไปว่าอย่างอยาบช้าอย่างเผาตนเหมือนอย่างข้างต้นแต่อย่างสายกลางได้แก่ความเอียนชอบสี่อย่างโดยในนี้ได้ทรงแสดงปฏิปทาสามอย่างเฉพาะข้อสุดท้ายโดยแสดงหมวดธรรมะในโพธิปัจกียธรรมที่ละหัวข้อจนจบถึงมักมีองค์แด อันหนึ่งทรงแสดงผู้ประกอบด้วยธรรมะฝ่ายชั่วสามอย่างฝ่ายดีสามอย่างคือตัวเองประกอบอกุศลกรรมบทสิบมีฆ่าสัตว์เป็นต้นทำแต่ละข้อด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นให้ทำมีความยินดีในอกุศลกรรมบทสิบแต่ละข้อหรือประกอบกุศลกรรมบทสิบแต่ละข้อด้วยตนเองชักชวนผู้อื่น มีความยินดีในกุศลกรรมบทตรัสอธิบายแต่ละข้อว่าเป็นผู้เหมือนถูกนำไปตั้งไว้ในนรกในสวรรค์สุดแต่เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วทรงสแสดงสุญตตะสมาธิคือสมาธิมีความว่างเปล่าเป็นอารมณ์อนิมิตะสมาธิสมาธิมีความไม่มีเครื่องหมายเป็นอารมณ์ ปณิหิตาสมาธิสมาธิมีความไม่มีที่ตั้งเป็นอารมณ์เพื่อกำหนดรู้เพื่อละราคะโทสะโมหะเป็นต้นซึ่งเป็นการละอุปกิเลสิหจบเล่มที่ยี่สิบอังคุตรนิกายเอกทุกกะติกะนิบาท